เป็นผู้ร้ายไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ได้มีเรื่องผิดใจใครเจอคนกอยิ้มให้เป็นประจำแต่กอติดที่เนื้อตัวมันคล้ำไม่มีคนสนใจมองใครมากี่ครั้งถูกใจใครมาตั้งกี่คนทุกอยู่คนต่างกอนลีไกล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 ม <Yeah. S 1> แม้ว่าหน้าไม่ใซแต่ว่าความจริงใจงยังมีคนคนนี้ไม่หลอกลวงใครได้ตัวย่งมองที่หน้าที่ตาพอจะมีไม่น้าคนที่มองกันให้ถึงข้างในพอแม่ให้ผมมาเท่านี้ ที่จิ้งเขาที่นี้ก็ภูมิใจได้แต่วังว่าจะมีบางชัไหมคนที่รักกันจะดำก็ดำแต่ตัวในใจหัวใจวรูปบ้งางหั้ตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จำไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาจะดำก็ดำแต่ตัวในใจหัวใจ ต้องเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงต้องบอกกันมา